พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองอนังคณะสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคลสี่ประเภทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาทบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือ 1. บุคคลบางคนเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำสามสเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนิน และรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ 3. เป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำสามสี่ เป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบุคคลนี้บันดิตกล่าวว่าเป็นบูรุษประเสริฐกิเลสเพียงดังเนินหรืออังคณะหมายถึงกิเลสเพียงดังเนินหรือราคะโทสะโมหะมณทินหรือเปลือกตมแต่ในที่นี้ ท่านพระสาวรีบุตรประสงค์เอากิเลสอย่างเผ็ดร้อนนานัประการว่าเป็นกิเลสเพียงดังเนินเมื่อท่านพระสาวรีบุตรเปล่าอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคขลานะได้ถามท่านพระสาวรีบุตรอย่างนี้ว่าท่านสาวรีบุตรอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่ง บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำสามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำสามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจะไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นจะไม่พยายามจากไม่รารบความเพียรเพื่อละกิเลสเพียงดังเนินนั้นเขาจึงเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะ มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตเศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำมฤิ์ที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองมีฝุ่นและสนิมจับเกรกรังเจ้าของจะไม่พึงใช้สอยและไม่ขัดสีภาชนะสำมฤทธิ์นั้นซ้ำยังเก็บมันไว้ในที่ที่มีฝุ่นละอองเะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาภาชนะสมฤทธินั้น พึงเป็นของเศร้าหมองถูกสนิมจับยิ่งขึ้นบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจะทำความพอใจให้เกิดขึ้นจักพยายามจะปรารบความเพียนเพื่อละกิเลสเพียงดังเนินนั้น เขาจักเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำมฤทธิ์ที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองมีฝุ่นและสนิมจับเกรอะกรังเจ้าของจะพึงใช้สอยและขัดสีภาชนะสำมฤทธินั้นทั้งไม่เก็บมันไว้ในที่มีฝุ่นละอองฉชนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ต่อมาภาชนะสมัมฤทธิ์นั้นพึงเป็นของบริรสุทธิ์ผ่องใสบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจาักมณสิการสุพานิมิตเครื่องหมายว่างามเพราะนมามสิการสุพานิมิตนั้นราคะ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 คือเขาจากไม่มนัสสิการสุภนิมิตเพราะไม่มนัสสิการสุภนิมิตนั้นราคะจากไม่คร้องงาจิตเขาจะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปกิเลสเพียงดังเนินท่านพระมหามกขลานะถามว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่า กิเลสเพียงดังเนินกิเลสเพียงดังเนินคำว่ากิเลสเพียงดังเนินนั้นเป็นชื่อของอะไรหนอท่านพระสาวริบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุคำว่ากิเลสเพียงดังเนินนี้เป็นชื่อของอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลอิจฉาวจรหมายถึงการประพฤติตนในทางต่ำสรามตามอำนาจความปรารถนา เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรร ม, มวินัยนี้พึงมีความปรารถนายอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติหนอภิกษุทั้งหลายไม่พึงรู้ว่าเราต้องอาบัติแล้วแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงรู้ว่าภิกษุนั้นต้องอาบัติแล้วดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพระคิดว่าภิกษุทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติแล้ว ความโกรธและความไม่ช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัตินอภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์เราในที่ลับเฉพาะไม่พึงโจทย์ในถ้ำกลางสงแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงโจทย์ภิกษุนั้นในถ้ำกลางสงไม่พึงโจทย์ในที่ลับเฉพาะ ดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์เราในถ้ำกลางสงไม่โจทย์ในที่ลับเฉพาะความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนายอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ต้องอาบัติหนอภิกษุผู้เสมอกัน ข้อนี้หมายถึงภ ko ิกษุผู้ต้องอาบัติโจท์ภิกษุผู้ต้องอาบัติข้อเดียวกันภิกษุผู้เสมอกันพึงโจ์เราภิกษุผู้ไม่เสมอกันไม่พึงโจ์เราแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่เสมอกันพึงโจ์ภิกษุนั้นภิกษุผู้เสมอกันไม่โจ์ภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่ช่ำชื่นเพราะคิดว่า ภิกษุผู้ไม่เสมอกันโจ์เราแต่ภิกษุผู้เสมอกันไม่โจษเราความโกรธและความไม่ช่ำชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เพิ่งมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอขอพระศาสดาทรงสักถามเฉพาะเราบ่อยๆและทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย ไม่ทรงสักถามภิกษุอื่นแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแต่เป็นไปได้ที่พระศาสดาพึงทรงสักถามภิกษุอื่นบ่อยๆไม่ทรงสักถามภิกษุนั้นบ่อยๆแล้วทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนิน เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เพิ่งมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเราเท่านั้นอย่างหนานแน่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารไม่แวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนานแน่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อพัตตาหารไม่แวดล้อมภิกษุนั้นอย่างหนานแน่นดังนั้น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 หมายถึงบิณทบาทที่ถวายแก่พระเทระผู้เป็นประธานในสงฆ์ขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนาที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาทที่ดีเลิศในโรงฉันภิกษุอื่นไม่พึงได้อาสนาที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาทที่ดีเลิศในโรงฉันแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้อาสนาที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาทที่ดีเลิศในโรงฉัน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 ภิกษุอื่นฉันในโรงฉันเสร็จแล้วไม่พึงได้อนุโมทนาแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นฉันในโรงฉันเสร็จแล้วพึงได้อนุโมทนาภิกษุนั้นฉันในโรงฉันเสร็จแล้วไม่พึงได้อนุโมทนาดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มช er mm ื่นความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนิน เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอเราเท่านั้นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อ lim ยู่ในอารามภิกษ um ุอื <t um> <t um> <t um ่นไม่พึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอาราม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 พึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิ ก, กาทั้งหลายภิกษุอื่นไม่พึงได้แสดงธรรมแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาผู้อยู่ในอารามและภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่น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 ขอภิกษุณีทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นขออุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเท่านั้นไม่พึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพึงสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุอื่นไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้น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 ภิกษุอื่นไม่พึงได้แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้บิณฑบาตอันประนีตพึงได้เสียนาสนะอันประณีตพึงได้คิฬานปัจจัยเภสัชบริการอันปราณีตแต่ภิกษุนั้นไม่ได้ภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นความโกรธและความเมตช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินท่านผู้มีอายุ คำว่ากิเลสเพียงดังเนินนี้เป็นชื่อแห่งอิจฉาวจรทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศลท่านผู้มีอายุอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้อย่างปรากฏและเล่าขานกันอยู่แม้ว่าภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีเสนาสนะอันสงัดถือบิณฑบาตเป็นวัด เที่ยวบินทบาตไปตามลำดับตรอกนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดครองจีวรเศร้าหมองก็ตามเพื่อนตรมาจารีทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวะจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้อย่างปรากฏและเล่าขานกันอยู่ ภาชนะสัมฤทิ์ที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสพวกเจ้าของพึงใส่ซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะสัมฤทธนั้นปิดด้วยภาชนะสัมฤทธิ์ใบอื่นแล้วนำไปยังร้านตลาดคนเห็นภาชนะสัมฤทธนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไร ดูเหมือนจะเป็นของที่น่าพอใจอย่างยิ่งเขาลุกขึ้นเปิดภาชนะสมริดนั้นดูความไม่พอใจความเป็นของปฏิกูลและความเป็นของน่ารังเกียจจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นซากงูเป็นต้นนั้นแม้คนที่หิวก็ไม่ต้องการจะบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วแม้ชันใด อิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ที่ภิกษุรูปได้รูปหนึ่งละได้แล้วอย่างปรากฏและเล่าขานกันอยู่แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับนิมนต์ครองจีวรของกหาหบดีก็ตามเพื่อนพรมจารีทั้งหลายก็สักการะเคารพนับถือบูชาเธอ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจนที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นภิกษุรูปนั้นลักได้แล้วอย่างปรากฏและเล่าขานกันอยู่ภาชนะสำริดที่เขานํามาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเจ้าของใส่เข้าสุกแห่งข้าวสาลีทั้งหลายที่เลือกของสกป ร, รกออกแล้ว ใส่แกงและกับข้าวหลายอย่างจนเต็มภาชนะสำริดนั้นปิดด้วยภาชนะสำริ์ใบอื่นแล้วนำไปยังร้านตลาดคนเห็นภาชนะสำริ์นั้นแล้วพึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ท่านนำไปนี้คืออะไรดูเหมือนจะเป็นของที่น่าพอใจอย่างยิ่งเขาลุกขึ้นเปิดภาชนะสำริษนั้นดูความพอใจความเป็นของไม่น่าปฏิล ละความเป็นของไม่น่ารังเกียจจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นเข้าสุขแห่งข้าวสาลีนั้นแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ต้องการบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวเลยแม้ฉันใดอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วแม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะกล่บ้านรับนิมนต์ รองจีวรของขหบดีก็ตามเพื่อนพรมจารีทั้งหลายก็สักการะเคารพนับถือบูชาเธอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่ภิกษุรูปนั้นละได้แล้วอย่างปรากฏและเล่าขานกันอยู่อุปมาด้วยบุตรช่างทรรถเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว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 ครั้นในเวลาเช้ากระผมครองอันตรวาสกถือบาดและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างกรุงราชคฤห์สมัยนั้นบุตรช่างทํารถชื่อสมีติถะกกองล้ออยู่อาชีวกผู้เป็นบุตรของนายปันทุซึ่งเป็นช่างทํารถคนเก่ายืนอยู่ใกล้นายสมีติครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอบุตรของช่างทํารถชื่อสมีตินี้ พึงถากส่วนโคง้งส่วนคดและกระพี้แห่งกงล้อนี้ออกซะเมื่อเป็นเช่นนี้กงล้อนี้ก็จะหมดโคง้งหมดคดหมดกระพี้มีแต่แก่นล้วนๆบุตรของช่างทารถชื่อสมิติก็าถากส่วนโคง้งส่วนคดและกระพี้แห่งกงล้อนั้นได้เหมือนอย่างที่อาชิวกนั้นมีความคิดขึ้นในใจครั้งนั้นอาชีวกนั้นได้แป่งวาจาแสดงความดีใจว่า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 หมายถึงไม่สำรวมกายวาจาใจในตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่ใส่ใจสมณะธรรมไม่มีความเคารพอย่างหนักแน่นในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกกับมนธธรรมทอทุระในปวิเวกเกียดคร้านมีความเพียรย่อหย่อน ขาดสติสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาท่านสารีบุตรทากิเลศด้วยธรรมบัญญาานี้เหมือนรู้ใจของบุคคลเหล่านั้นอันหนึ่งกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่อ้อวดไม่มีมานยาไม่หลอกลวงไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตน ไม่กลับกลอกไม่ปากกล้าสำรวมวาจาคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องใส่ใจในสมณะธรรมมีความเคารพอย่างหนักแน่นในสิกขาไม่เป็นผู้มักมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวคกกัมณะธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกประรบความเพียร อุทิตกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปัชัญญะมีจิตมั่นคงมีจิตแน่วแน่ไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญากลุบุบเหล่านั้นฟังธรรมบัญญานี้ของท่านพระสารีบุตรเหมือนหนึ่งว่าจะดื่มจะกลื่นไว้ด้วยวาจาและใจว่าดีจริงหนอท่านผู้เจริญท่านพระสารีบุตรผู้เป็นเพื่อนโรมจารี ทำให้เราทั้งหลายออกจากอากุศลธรรมแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลธรรมสตรีสาวหรือบุรุษหนุ่มชอบแต่งตัวชำระสักเกล้าวแล้วได้ดอกอุบลดอกมลิหรือดอกลำดวนประคองไว้ด้วยมือทั้งสองแล้วยกขึ้นวางไว้เหนือเสียนเกล้าแม้ชันใดกุลบุตรเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันพระอัครส า, าวกทั้งสองนั้น ต่างชื่นชมพาสิทธ์ของกันและกันดังนี้แหละจบอนังคณะสูตรพระสูตรที่หจากพระไตรปิฎกเล่มที่ส2บสอง